ธรรมะฟังธรรมะเราจะยินเดีฟังก <c oughs> <c oughs> ันมาเพราะงควรทุกสัตวทุกคนเรื่องสาคัญอยู่ที่การปฏิบัติเื่อเราปฏิบัติไม่เห็นไม่เปนในเราจะฟังเท่าไรมันก็ไม่เข้าใจในเรื่องใสไม่ศรัทธาถ้าเราปกติปฏิบัติฟังแล้ว จิตจแรนะํานำไปปฏิบัติกายวาจายใจของตัวดูเห็นเป็นขึ้นในสิ่งที่ันพูดเราทำไปเห็นไปเข้าใจไปปล่อยวางไปละถอนไปเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความดูดเดิมจิตยินใจในการทำของตัวมันเกิดขึ้นนี่จะอยากจะทำอยู่เรื่อย อยากจะฟังอยู่เรื่อยๆเพราะได้ผลกำไรจากการทำการฟังของตัวมี่วนเหตุที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะมั่นคงถาวรในศาสนาในอย่างนั้นเพียงเพียงแต่ฟังไปธรรมดาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติไปก่อ น, นิดดหน่อยไจะเกิดผลอะไรในการเป็นการเ ห, ห็นในจิตในใจ ความเสี่ยความเร่มใส่ที่เคยมีอยู่นิดๆหน่นนอยๆตรงลอยตกไปหายไปถูกสิ่งหยาดออยุต่างๆทางนอกดึงไปกินหมดก็เลยอย่างนี้อะไรที่เป็นธรรมเป็นดีใ น, นดีนในตัวนี่เปเรื่องโลกจป็นล้วนเข้ามาก่อกวนจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีคุณที่ไม่พพไปพึ่งไปปฏิบัติฟังแล้ว ไม่ตั้งหน้าแต่ทำบำเพ็ญให้เย็นให้รู้ก็เลยจะเกิดสาระประโยชน์ให้บางทีลำคาญในการสะดับรับฟังจะอีกพราะพูดคุยเรื่องอืน่นจิตใจยังเพิดเพลินฟังเรื่องธรรมะหม่วงเหงาห้านอนเด็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวปวดแข่งปวดขาปวดหลังปวดเอวต่า ง, งๆน า, นานานับไม่ถ้วนแต่มันจะลบควณจิตใจของเรา คนที่ไม่เห็นใน็นในใจมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะธรรมโมการสนใจของคนทั่วไปจึงมีน้อยเพราะจิตไม่เคยได้รับสัมผัสจากอััดทำที่การพูดกันสอนส่วนเรื่องต่างๆนานาของโลกที่เขาเล่นกันเต้นกันเพลงหรือมอลมหรือเกละครหนังเป้นต้น คนเหล่านั้นถึงจะเสียอัดเสียตะต่างผ่านประตูไปเขาก็ยินดีเหลื่อมใสไปดูไปชมกันเพราะมันเชิญมันสนุกหั่วยุเหย่วนเฉลี่ตัณหาในจิตในใจให้ทวีคูณสิ่นไปก็เลยถือว่าสนุกเชิรเชอรเสียเงินก็ไม่เสียใจเพราะเห็นว่ามันดีมันมีคุณค่าเขาจึงยอมเสียตละ เขาของเงินทองของเขาผ่านประตูเขาไปส่วนวัดวาศาสานาโดยเช่นมากพระแผ่นแสดงธรรมแผ่นเคสนั้นไม่ได้เช้ออาจเจสื้อตะต่างอะไรเขาไปผ่านประตูวัดวาไม่ได้ิดกั้นเอาไว้เปิดโล่งอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครสนใจในอดในธรรมพอเอ่ยธรรมะขึ้นความเ ห, มเ ห, มเหมน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวันมาแล้ว มันในเปิดโอกาสในเปิดเวลาให้จิตใจภาวนาหาธรรมะใส่ตัวมันมี่จะยคล่องยั่อยุตั้งแต่เรื่องนอกจิตใจของมนุษย์ที่ลุ่มหลงมันเป็นอย่างนั้นทั่วกันหมดหม่ว่าใครจะเรียนสูงมาขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลไฟฝันกับสัญญาอารมณ์นันนั้นซึ่งเป็นของสายโลกอยู่เรื่อยไปไม่มี ทางจิตใจแก้ไขจิตใจค้องคนให้ส ง, งบเย็นได้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นคุณค่าของธรรมะไม่มีอยู่ในหัวใจของเขาเขาก็เห็นธรรมะเป็นโมฆะเห็นธรรมะลาสมัยเห็นธรรมะเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงของบุคคลในสนใจที่จะที่นี้ชื่อเนนะ ที่จะนำธรรมะไปปฏิบัตินี่คือเรื่องของศาสนามันเสื่อมตรงจิตใจของเขาตรงคนที่ไม่ตระหนึกปฏิบัติความจริงธรรมะยังคงเจนคงวาเป็นอาการลิโกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใครหลงโลกไปเท่าไรคนนั้นก็จะทุกข์กายทุกข์ใจเรื่อยไปเพราะการหลงโลกถิ่งชมกับโลก ยินดีกับโลกมันก็ให้สุขแต่เมื่อเวลาลุ่มหลงเถิดเชิญร่างกายยั ง, จจงแข็งแรงสบายดีเมื่อเวลาป่วยไข้ได้ทุกข์ขึ้นมาหรือโรคโหลงทับผมโจมตีหนักเข้าเป็นอย่างไรเล่าเขาเหล่านั้นได้รับความทุกข์ความลำบากแก่ไหนเพราะไม่มีธรรมะที่จะแก้ไขจิตใจของตัวให้สงบ มีเงินมีทองมีเข่ามีของมากมายขนาดไหนก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบทางจิตใจยิ่งเกิดเกินไปในอามรมณ์ต่างๆถือว่าดีแบ่วพิเศษนบบั่งกอดบด็กยาคิดเทียนนำสาลคนที่มีสติปัญญาตาฝาตาฟางเห่านั้นจึงไปหลงกันดื่มจินาคนมีสติปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมะ ท่านมนมีวันลืมหลงอะไรจะมาด้อยยุยังเกิดขึ้นในจิตท่านก็ทราบด้วยสติของท่านหรือปัญญาของท่านรีบแก้ไขปัดเตาออกไปไม่เห้มายวขล้องกับจิตใจของท่านหรือเราในอย่างนั้นไม่มีก่อไฟฝันสแสวงหามีมากโหงงแหนแล้วเสียงเหล่านั้นละ่ะ มันจะปเป็นไปตามปรารถนาเรื่อยไปไหมมันจะเป็นไปตามความปรารถนาใฝ่ฝันของเราเพราะตัวของเราเองก็ยังบังคับบัญชาตัวของเราไม่ให้เท่าไม่ให้แย่ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ในเรื่องที่เราไปเฝ้าฝันยึดถือเอามามันกว่าธรรมดาเหมือนกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามหน้าที่ของมัน แล้วก็มีการเจ็บป่วยลมตายเหมือนกันเมืเ่อเย็บมั่นมันก็เกิดทุกข์มีมามากเท่าไรก็ยิ่งเป็นหลายกองทุกข์เข้าเท่านั้นทุกข์รวมกันเข้ามันก็นัาเข้าทับผมที่ไหนล่ะทับผมใจของบุคคลที่แสวงหามาถือว่าดีว่าเปรี้แต่ความจริงแล้วกองทุกข์มันมาทับผมจมตีอยู่เรื่อย ทำให้ลำบากลำคาญหงหัวไปแตสถานที่ใดไม่ปลอดภัยไม่สบายหัวอย่างนั้นมันจะหายหัวอย่างนี้มันจะเสียมันคิดยุง่งคิดเกี่ยวอยู่กับสิ่งสี่ตัวยึดถือหงหัวเหมือ น, นั้นแต่นั้นทางธรรมะท่านจงสอนให้ในะที่นิสิาเจนะคอยแกไขจีเลียนปัญหาของใจใายแจกไขจิตใจของตัวละชั่ว ละโลกออกไปเท่าไรใจมันยิ่งสว่างสวายชิงใจมันยิ่งสงบอย่างเย็นลงไปนี่คือธรรมะเชิงฟอกใจอบรมใจให้สุขให้สบายล้าได้ถอนได้เท่าไรยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งสงบจงคิดติดข้องกับวัตถุสิ่งของมากเท่าไรใจย่อมเกิดทุกข์เท่านั้น เรามาที่แชรนาฏกันอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายไปยืดยาวดีแต่สิ่งที่เราไม่ยึดไม่ถืออยู่ในเนื้อในตัวของเราสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่สาธารณะเช็นต้นว่านำลายกว่าดีน้ำหมูกกว่าดีหรืออุจจาระปัสสาวะกว่าดีตกออกไปแต่ละข้างแต่ละทีจะมีอะไรมาจินมันก่อตามเฉลิมาเหยียบหย่ําทําลายมันอย่างไรก่อนตามเราไม่เคยเสียใจ พาเราละเราไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นถือว่ามันออกไปแล้วก็แล้วไปถ้าเรายึดเราถือสิ่งใดสิ่งนั้นแหละให้ทุกแิดแ่ใจของเรานอกตัวของเรากาะตามเป็นฝอยแหวนเงินทองตกล่นลงไปมีคนอื่นเขาเจ็บได้หรือหายไปจริงเราเสียใจเพราะถือว่าอันนั้นมีคุณค่านี่สาระ แต่ความกิงสิ่งนั้นมันไม่เท่าหนำลายของเราหนำลายของเรามีคุณค่ากว่านั้นคนที่ไม่มีหนำลายทานอาหานอะไรในไดน้มันจะต้องตายเมื่อตายไปแล้วข้าของเงินทองเหล่านั้นมีคุณค่าไหมสําหรับคนตายคนนั้นจะไปทำมาค่าขายอะไรเอาไปในไดน้มันจะอยู่กับโลกเรื่อยไปมีนำลายจึงว่า ม, มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรอยหรือพวกทองคํา ถ้ามันอยู่ในปากของเราข่าวที่เราจะลืมลงไปได้ก็เพราะอาศัยน้ำลายนั่นแหละเกีอบวกลงไปพอแห้งตาแห่ทานอะไรก็ม่มีรสชาตหรืออัดลืมมาลงเชื่ออีกมีความคิดข้องผัพวพันข้องใจ้าเราไม่ชี้จรในนาแกไขใจของเราจะยืดเยื้อวกวนขอบติดคิดซุงไปในทางโลกโดยส่วนใหญ่แตนั้นทางธรรมะ ทานจึงให้ทิชไิชอะรนาเพื่นะอแจกไขขับไล่ความหลงไหลของใจให้หายไปตกไปใจของเรามันชอบลุ่มหลงอย่างนั้นเพราะมันไม่เห็นตามเป็นจริงไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ไม่คอยใจในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นอย่างไรยิงจังยังสมมุติของเขาโลกนิยมโลกสมมุติเราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่แกไหนแก่ไร รรทำมาทำโมที่จะเข้าไปฟอกใจอบรมใจนั้นยา ก, ากหนักหนาเราจะได้ฟังจะได้ยินกันเพราะพ่อแม่ก้องเราถี่เลี้ยงดูปูเสือให้เรามาท่านก็เป็นคนที่มีชิ่เดตันหาแนะสอนไปในทางโลกอยู่เส ม, สมอแต่รืเดียงสาจนตลอดเวลาจนหนุ่มจนสาวส่วนนั้นจิตมันจึงชิดชุ่เงเกี่ยวจะเลงความมุด ถ้าไม่ลบสมมดออกเมื่อไรจิตใจจะเห็นวิมุต tn ั้นไม่มีทางดันั้นท่านจึงให้ลบ อ, ออกไปละออกไปที่จะมาแก้ไขโดยอัดโดยทำเรื่องที่เราร่วมหลงเกี่ยวข้องยึดยถือว่าของเสื่อของงามก็เคยแนะนำในการทิ่นิพพานเพื่อจ ะ, าอจะทายความตำแหนั่งดีดีของใจโดยนิพพานตัวของเรามันก็พอใจหมด ในเรื่องของคนอื่นสัดอื่นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีอะไรตกจิดเอาไว้พอมันเห็นในตัวของเราชัดเจนไปจากแล้วอดีตที่มันผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงหรือปัจจุบันคนอื่นทั่วโลกมันเป็นอย่างไรนั้นมันไม่มีทางสงสัยพอเห็นในตัวของตัวตนนั้นมันก็แจ้งไปหมดทั่วโลกอะไรอยู่ในตัวของตัวจิตเรายึดเราถือ เราสำคัญใหม่มันหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าหนุ่มว่าสาวนั้นมันมีอะไรกันจิตจิตมันไปยึดมั่นถือมั่นมีอะไรกันเป็นของกิรังอย่างยืนมีอะไรกันไม่ให้ทุกข์ให้ปวดแก่ตัวยังไม่มีหางมีเขาเท่านั้นมันก็โชคดีอยู่แล้วแต่มีหางมีเขามันจะไปยุ่งเกี่ยวกับหางกับเขาส่งงานไปมีอะไรอยู่ในตัว มันเกิดทุกเกิดโทษทั้งนั้นเพราะจิตใจยึดมั่นคือมั่นว่าสิงนั้นเป็นของของเรามันเลยให้ทุกข์ขันจิ้งให้แจกไข้ขับไล่ทิจเจน า, ยาแยกแยะแจกออกให้เห็นตามเป็นจริ้งของมันเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องที่ศึกษาทิจเจนาอาัดทําเมื่อเห็นขาดขันเดินชัดลงไปเมื่อไรจิตใจจะค่อย แจ่มใสจิตใจจะค่อยสงบความลุ่มหลงวุ่นวายก่อกวนของกิเลสจะน้อยลงไปหมดลงไปดับลงไปเพราะทราบเรื่องธาตุขันธ์ของเราท่านตามเป็นจริงของมันธาตุขันธ์อันนี้เพราม่นในสมมติมั่นหมายว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราแต่ก็ไปเกาะไปอาศัยยึดมั่นว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้เอาจริงเอาจังติดเนี่ยในสมมุติ มันมีหลุดมีตกสักทีดังนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องที่คลายเรื่องเหล่านี้ให้รู้ให้เห็นเดื่นชัดตามเป็นจริงจริงของมันเมื่อเห็นตามเป็นจริงมันก็อถึงก่อถอนก่อละก่อวางพราะมันเป็นคิดเป็นใรถึงมีกายอยู่ท่านก็ไม่ยึดไม่ได้ถืออย่างคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัปฏิบัติธรัม ป่วยเจ็นยิ้นนยนิยหน่อยๆกลัวใจะใตายร้องทางเหมือนกันกับเสือถูกปืนเพราะม่นมีอัจมีธรรมจะพิจารณามันพอเห็นรูปหล่อๆสวยๆงามๆเข้าก็ล้ไหลไยฝันตาโตขึ้นอยากได้นู่ทือคนหมดสติหมดปัญญาหมดธรรมะในใจมันเป็นไปอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่านมาพากันสาธิปฏิบัติ เพื่อจะชำราสาสางสิ่งที่ชั่วยุยยุจิตใจให้ตกไปนั้นจะต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสติคือปัญญาที่นิพใจนาให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆเพื่อการถอดถอนปล่อยวางความสิดขอ ง, ของจักไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะสงบบวชตัวสักเจ้าบวชเท่านั้นกี่วันกี่เวลากี่พรรษา แต่จิตใจก็ทำไมา่ไดา้เคยติดข้องอะไรก็ติดข้องเรื่อยไปพอเราไม่สังวน ร, รักษาไม่ตัง้งหน้าตั้งตาที่เจรานาอาักขมมันอยากคิดอยากซุงอยากยุ่งอยากเกี่ยวกับอะไรก็บต่อยมันไปบวชแต่ตายใจมันไม่บวชให้มันจึงเป็นทิดเป็นภยมันจึงไม่มีรันสงบสุขดังนั้นการบวชของเราละจากเพศพะละว่า เขามาสู่ศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านเคยต่อเพื่อปฏิบัติมาอย่างไรให้ถือเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเป็นบรรทัดเป็นแบบแผนท่านเคยอดทนต่างหนา้าต่างตาทีวิตจริงนะตำรายที่เหลือตั้หาเดืออาจัดจิริยาอย่างไรทําอย่างไรถึงเราไม่เห็นเดือดตาของเราเพราะท่านปรินิพานไปแล้วนานปีกว่าต่งางธรรมะสำหรับตำรายยังบ่งบอก การการทำบำเพ็ญของธรรมะนั้นไม่อยู่อื่นไกลในอยู่ในตู้ถ้าใชที่ดกในอยู่ในคัมภีร์ใบลานหนังสือขีหไหนนั่นตำราของธรรมะตัวธรรมะจริงจังคือกายใจของพวกเราท่านตัวธรรมะตัว ท, ท, ท, ที่เหตุปัญหาจริงจังของตัวนี้ในตใใัวอื่นถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมะกายใจอันนี้จะเกิดธรรมะ จะเป็นธรรมะจะเห็นธรรมะเียนสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นจากสิ่งวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ไปเกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหยุดจากใจที่ลืมหลงใส่ฝันเมื่อบอดนี้มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูภายในดูใจของตัวอยู่ตลอดเวลาการคิดการฟุงอะไรเป็นไปเพื่อธรรมะเป็นไปเพื่อละเพื่อถอนหรือเป็นไปเพื่อ ติดเครือข้อต้องสอบคือที่นี้ทีใจนาใจของตัวอยู่ตลอดเวลาเที่ยผู้บวชเพื่อชำระผู้บวชเพื่อรักษาพุทธศาสตร์นะพุทธคือผูรู้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ภายในกายใจของเราไม่ใช่หรือพุทธคุณนี้แหละที่จะตัดสัรู้ที่จะเป็นมิมุติในใจพุทธะอยู่ตามสาหรับกําลัง ไอพให่าอยู่นี้ดื่นี Point ้ความหลงมันไม่ไปจากที่ไหนกายช่างกายมันมีวันหลงนะเราจะกินจะดื่มจะนั่งจะนอนจะเดินจะเหินจะเพิดจะเลินในเรื่องอะไรก็ตามกายนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันไม่เชยหลงไหลไฝฝันไปตามเรื่องของใจที่เพิดเพลินหลงมหลงหน้าที่ของมันแกมันแก่ด้วยไช่จะอยู่ในแต่ทั้งทียดีงาม ขนาดไหนหน้าที่ของความแก่ไม่ก่อแกเรือยไปอยู่อย่างนั้นจะครบใจฉันจะอยืดจะชิ่นอรรถอร่อยขนาดไหนมันก่อแก่มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันมันหน่ยหลงไหลกับจิตกับใจเราเราไปยึดเขาถือเขาเราหลงเขาเราจึงควรที่นี้ที่เจริญนะเพื่อแก้ไขจิตใจที่ลุ่มหลงให้ละวางถอดถอนความลุ่มหลงค้องใจตามกำนัดยินดีนนกว่าทํานองเงยกะขึน เพราใจหมายมัน่นติดสมมติของโลกว่าอย่างนั้นมันน่ากำหนัดอย่างนั้นมันน่าเพิดเชิะอย่างนั้นมันน่ายินดีความจริงสิเหล่านั้นเขาไม่ทราเรื่องของเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่จิตใจมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมันเลยหลงไปอย่างนั้นถ้ามันมีธรรมะในใจมันจะลหลงไหลไฝฝันไปทําไม หนังเนื้อเอ็งกระดูกนี้มันให้ทุกให้ทุกอย่างไวเราพอทราบได้ในตัวของเราเขาเหล่านี้เป็นเรื่องของธาตุของขันในสัตว์ในส่นบุคคลธาตุอย่างไรขันอย่างไรธาตุที่ทันห้าทีท่ท่าเอาไว้ในตำราตำราธาตุก็คือดินน้ำล ม, มไฟเป็นธาตุใหญ่อาจาศวินญานแต่พูดถึงธาตุหกมันมีอยู่ ทุกภูทุกน้ำเดียวกันธาตเหล่านี้มันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายพอตายหมดลมเท่านั้นมันเป็นอย่างไรหระกธาตเหล่านี้มันก็เน่าเกลื่อยไปตามหน้าขีดของมันถิงถ่งที่เป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันก็ไปตามเรื่องของมันดินผลลงไปสิดดินตามหน้าขีดของมันถึงมันยังไม่เน่าเน่าไหมเกลื่อยหรอกคนที่เคยกำหัดยินดีหลุ่มหลงกัน เน่ต่างคนต่างหมดลมแล้วเอาไปทิ้งไปกันไว้มันเป็นอย่างไรมันเถื่อเติอนกำหนัดไหมมันไม่เถื่อนเติอนที่ไหนดินมันก็เป็นดินอยู่อย่างนั้นไม่เคยกำหนัดอะไรครับนน้ำก็เหมือนสั้นลมไฟก็เหมือนกันแต่จิตของพวกเราท่านยึดถือมันจึงล่มหลงไปสําคัญมั่นหมายว่ายิงว่าใช่ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้นี่คือเรื่องหลงสมมติท่านจึนไฮที่นี่ที่เจรินะ ตายทั้งกายในเศษของหิบของดีของมีคุณค่าเห็นไหมใครตายแล้วเอาไปขายในเข่าดนขวางในยงิในทองเลี้ยงตรเาเลี้ยงทองไม่มีหนังจะไปทำกระเป๋าเขาก็ไม่ถือกันจะไปทำรองเท้าก็ไม่มีใครนิยมชมชอบจะไปหัดไปพอดที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะอยู่จะกินกันหนังมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเนือมนุษย์ก็ทำนองเดียวกันจะดูมนุษย์ คนมี้ใช่มียอมชอชอบนอกจากผู้บวชปฏิบัติอาจทาเป็นที่เรื่อมใสศรัทธากระดูกคนนั้นมีค่าเขาไม่ถือว่าเป็นกระดูกผีเขาถือว่าเป็นธาตุที่ควรสักการะบูชาแย่งกันยากได้ไปไว้เชื่อรักษาบูชาทำจิตทำใจให้เรื่มใส มีกระดูปูถิประพฤติปฏิบัติกลายเป็นของที่มีคุณค่าราคาแต่กระดูปของพวกเราธรรมดาในเป็นอย่างนั้นไปทิ้งใส่หม้อใส่ไห้เขาจะต้องปับไหมเราเอาไปทิ้งใส่บ้านใส่ช่องเขาเขาก็ถือว่าเอาของไปตีกูนไปทิ้งใส่เขาก็ปักไหมได้ถ้าเอากระดูปอันอื่นเอาเนื้ออันอื่นเขาดีใจเขาจะเด็ดต้มเด็แจงกันกินกระดูปมนุษย์หนังมนุษย์เนื้อมนุษย์ เขาไม่เชอาไม่ยินดีแต่เมื่อมันอยู่กับตัวของเรายังมีลมหายใจเป็นอยู่ทําไมมันถึงรุ่มหลงใหญ่โตหนักๆถือว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้นา ย, ยินดีน่ายอยากได้แต่เมื่อมันตกออกจากกายทําไมมันถึงไม่ปราถนาเบือนายเกลียดชังต่างๆมานาหนีเท่ยงจิตไม่เห็นตามเป็นจริงมันอคติ อย่างที่นี้พิจารณาขับไล่มิฉาผิดๆของใจออกไปนี่คือการพิจารณาการฝึกจิดอบรมใจเพื่อจะให้เข้าถึงปัญญาคือการรู้รอกของใจมนอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาบวชมาอยู่ป่าก็อยู่จังสักในปฏิบัติจิตใจให้ดีปติปัญญาไม่นำมา ที่จะเรนนจิตใจใหรือกายของตัวมันก็เลยไม่เกประโยชน์ให้เนีย่ยท่านผู้หลับกบเข้าขอกอบัวไม่มีวันมีเวลาที่จะเห็นกอบัวมีคุณค่าดอกบัวที่แยมบานออกมาแทนผีดกบจะเอาเกล็ดสอนของมันหรือดมกลิ่นของมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อกบ กอกเฝ้าอยู่อย่างนั้นหรือมดแดงมันเฝ้าผลไม้ต่างๆมันหนีทางจะได้อยู่เดียกินแต่มันก็เฝ้าอยู่อย่างนั้นใครไปแฉกมันก็กัดเอาพอมันถือวัดเศียไม้ของมันหมาบขนของมันมันถืออย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพอมันสุกมันโรนเขาก็เอาไปกินเชียพวกบางพวกข้างชาวต่างๆหรือสัตต่างๆมันเอาไปกินเชียไอ้มดแดงที่เฝ้าอยู่นั้น ไม่ได้ประโยชน์ ก, ก, ก็เฝ้าก็วัวก็เหมือนกันไม่ได้ประโยชน์อะไรมาแรงพุ่งพุ่งมันแรงพู่อยู่อยู่ห่างใส่มันยังอเอาเจสอนไปทําพวงทํารังของมันได้ที่พวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันบวชมาเป็นพระเป็นแนรอยู่ในวัดในวาในป่ากรรมฐานแต่ในพิจรณากรรมฐานในคิดอ่านอัดทำมันจึิงในเกิดสาระประโยชน์ให้โงพากันคิดพิจารณาศึกษา ส้างหน้าปฏิบัติศาสนามันจ ะ, จะเจริญสร้าวหน้าขึ้นในจิตในใจของตัวศีลเป็นอย่างไรความปกติของกายของวายจาของใจจะทราบเนื่อมันในปกติให้มันจะเป็นศีลอะไรกันมันวิ่งว่นอยู่ถึงบวชอยู่ไนวะดกิจิตใจก็เชียนผ่านไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆคิดอ่านในทางที่เสือที่เสีย เป็นขโมยทางจิตขโมยนั้นขโมยนี้ขโมยของดีก็คอยยังชั่วขโมยของเนา่าของเหม็นของไม่เป็นสาระมันมากเราไม่รักษาไม่มีสติปัญญาสอนตัวมันก็ชั่วอยู่ตลอดกาลแต่นั้นจงสอนตัวคล้องตัวพิจารณาตัวค้องตัวมันในเหลือเวิสัยจิตใจถ้าฝึกไม่ได้เพราะพุทธเจ้าสาวก ไม่เป็นอาหารอาหัสตอรหันต์ได้นี่มันถึกได้ถ้าตั้งใจจะฝึกจะปฏิบัติจริงจังให้เอาใจใส่ให้ตั้งใจปฏิบัติจะริะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วลึกรู้อยู่ทุกการทุกเวลาว่าเราเป็นสมณะผู้ผูกส ง, งบกายวาจาจิตอย่าไปคิดตุงในสิ่งที่ชั่วชีวีย ที่จะทำจิตของตัวให้เดือดร้อนวุ่นวายแช่ายไปทางกิเลสตัณหาใหมีปัญญาที่จะเล่นให้รอบในเรื่องของกายของจิตให้ทั่วมันจะเกิดสาระประโยชน์ให้ธรรมะกฎหมายทั้งผู่ที่มีกิเลสตัณหา่านั้นเหมือนกันกับคนที่ทโรคยามันจำเป็นยิ่งจงที่จะนำมาแกไข ไม่อย่างนั้นโรคภัยในตัวก็ไม่มีวันสงบไม่หายโรคมากเท่าไรกายก็ยิ่งเจ็นทุกข์เท่านั้นธรรมะดาจิตใจที่มีที่เหตุปัญหาขอทำนองเดียวกันธรรมะยึงจาเเซนที่จะแก้ไขจิตใจที่เชื่อเสียหนนั้นให้หายไปถ้ใช้ไขได้ธรรมะที่เจราธรรมะไม่ต้องบอกให้ความเมืดอ บ, บอดท้องใจความหุ่มหลวมท้ อ, บบ อ, องใ จ, อบบอง ใ, จให้มันหายไป มันก็หายไปถ้าใครไม่พิจารณาทรนะถึงจะอยู่ปลาฤทธิ์ทางกายขนาดไหนก็เอาเถอะมันไม่มีวันมีเวลาที่ตัญหามันจะตกหล่นออกไปได้จนสัางหนา้าตัางตามีสมณะสัญญาอยู่สมามเสมอคือเราจนสมณะผู้สงบรักษาความสงบของกายของวาจาของจิตเอาไว้แต่เพื่อปฏิบัต จะแก้ไขขับไล่ส่วนเสีเสียต่างๆออกไปตกไปใจคือเคยยุ่งเกี่ยวติดข้องกับอารมณ์สัญญาที่เหลือปัญหาต่างๆเมื่อเราแก้ไขตกไปแล้วใครล่ะเป็นชักผู้ประเสริฐก็คือใจนั่นแหละมันประเสริฐแต่ก่อนมันเคยติดเคยคิดใช้ปลุกเห็นอะไรได้ยินอะไรเข้าควรกำหนัดยินดีมันก็กำหนัดยินดีควรเบื่อหน่ายมันก็เบื่อหน่ายไปแต่เมื่อมี ทำในจิตในใจมันไม่เป็นอย่างนั้นเห็นก็สักแค่ว่าเห็นได้ยินก่นสักแค่ว่าได้ยินมันไม่เป็นคิดเป็นใครเข้าไปเชิงจิตเชงใจใครเราเป็นคนรู้กอ็อใจของเราน่งรู้เพราะแต่ก่อนเราเคยเป็นอย่างนั้นมาปฏิบัตปฏิบัติถิ่สมาธิปัญญาจิตใจของเราเป็นอย่างนี้พอใจอย่างนี้เห็นจิงอย่างนี้จะให้ใครมาตัดสินให้หว่าจิเหลดตัณหาภายในใจมันเบาบางไป ก่อตัวของตัวน่ะตัดเข็ตัวของตัวเห็นเข้าใจชัดเจนในการต่อพืปฏิบัติเมื่อมันตกออกไปมากเท่าไรพระความต่อเฉิดท้องใจมันก็เห็นเด่นชัดขึ้นเแ่านั้นในการปฏิบัติธรรมะเป็นสันทิปติโกคือเห็นเองจากการจะทำำําบําเพ็ญไม่ใช่ว่าเราจะมุดจะบอดอยู่ตลอดไปถ้าจังใจประพืชปฏิบัติแล้วความแสบสายยื่นปลายของจิตของใจมันสงบแล้วก็รู้ มันจะเรียกวอย่างไรความฟุ้งฟูงค้องใจความบุ่นวายค้องใจมันเป็นอย่างไรแล้วยังทราบ ธ, ธรรมะมในใจของผิดบังเปิดโล่งอยู่ตลอดกาลสะอาดผู้ใดต่อพื่อปฏิบัติรู้เห็นเจนขึ้นในจิตในใจแล้วคนนั้นจะนนมสสีการช่องใสสมกับว่าอาการิโกจรงทํานี้มีหยุดแต่ไหนแต่อะไรพระพุทธเจ้ามาทราบก็มาทราบความจริงความเ็นไปของธรรมะ ในเกิธรรมะเพิ่งเกิดตอนพระผู้ใต้เจ้าประกาศ ธ, ธรรมะความจริงเกิดมาก่อนมีมาก่อนแต่พระองค์ก่อนนำสิ่งนั้นแหละมาพิจารณาเพื่อล่าถอนถจิตใจความผิดข้องยึดถือต่างๆในทางสมมุติให้ตกออกไปหมดออกไปเในจิตใจล่าถอนจอยวางอารมณ์สัญญาต่างๆสมมติต่างๆหมดออกไปใจถือเป็นวิมุตเป็นอย่างไรนั้นไม่ต้องบอกกัน พอมันเห็นมันเห็นอยู่ในผูกกระทำบ่มเห็นผูกับะลึกปฏิบัติดังนั้นพวกเราท่านจิตตั้งหน้าต่างตาพากันโผลมาฝึกอบรมจิตใจอย่าอยู่นิ่งดูได้ให้ตั้งหน้าต่างตาศึกษาตั้งหน้าต่างตาภาวนาตั้งหน้าต่างตาสังวรจิตใจของตัวสิ่งที่เชื่อที่เสียมันเกิดขึ้นจากภายในตัวเรีบคาบไล่มันออกไปมันจะจอนโผลมาภายนอกก็อย่า ให้มันมาเกี่ยวข้องจุดกั้นเอาไว้นี่คือการทําความเพียนท้องใจสังวรประทานละชั่วประหานประทานละชั่วภายในสังวรประทานห้ามกั้นความชั่วภายนอกไม่ให้โผามาประหานประทานกาจัดชั่วภายในซึ่งมีอยู่ในใจให้ตกออกไปภาวนาประทานความดีส่วนใดซึ่งจะทําใจให้สงบเย็น รู้เห็นตามเป็นจริงเกิดยืมมดหลุดออกจากความติดข้องต่างๆรีกบกระทำบำเท็ญต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาอย่าปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันอนุรักษนาประทานความดีส่วนใดจิตใจจิตเคยสงบเยียกเย็นจิตใจจิเคยรู้เห็นในอดในธรรมให้รักษาเอาไว้ นี่คือความเทียนเพื่อขับไล่ความชั่วบำเพ็ญความดีเมื่อความดีถึงขีดดีมุดในส่องลองเรียกหามันจะเกิดขึ้นเก็ดขึ้นเหมือนกันกับมะม่วงความหวานของมันทามันสุกถึงขีดแล้วในต้องไปหามาจากที่อื่นมันจะมีอยู่ในผลของมันแต่มันแช่พอแล้วความหวานมันเกิดขึ้นนี่ดีมุดกับทานองเดียวกันเมื่อพวกเราท่านชาเพียนพยายาม จำลาคํามชั่วบําเพ็ญความดีเพียงพอแล้วมันจะเกิดขึ้นเพิมขึ้นเห็นประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจของตนความค้นจากโลกเป็นอย่างไรจะประจักษ์ในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติจะมีอะไรสงสัยว่าชาติใหม่จะเป็นอย่างไรตายไปจะถูกจะทุกอย่างไรนั้นไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของตัวเพราะเชื่อดีต่างๆแล้วก็ทําบําเพ็ญเห็นแจ้งในจิตในใจแล้วไม่มีอะไรจิตบังเอาไว้ จะไปสงสัยอะไรที่เหลือปัญหาหน้าไหนจะมาหอกลวงค่มขี่จิตใจของเราอีกเรา ก, ก็ได้ปะหัสปะหารสรัมระไปหมดแล้วตกออกไปแล้วโลกอันนี้กับความเ็นอยู่ของจิตมันคนละโลกคนละอันท่านจึงเรียกว่าโลกุตตะละคนจากโลกพนอย่างไรผูกแต่ทาบำเพ็ญปฏิบัติา ท, ทางใจจะรู้เห็นไม่ใช่ว่าปฏิบัติบแบบมืด บ, บอดหลงไหล เรื่อยไปดันั้นการต่อไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดประตูภนิในานคือความดับเสนิห์ของใจให้เห็นเด่นชัดขึ้นได้ถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความปฏิบัติไม่ีข้อวัดอะไรไฟฝันอย่างนั้นอย่างนี้เห็นดีกว่าใช่เห็นรักถุกดีกว่าทำเห็นเงินเป็นพระเจ้า คนนั้นแหละจะไม่เข้าถึงความสงบเย็นจินตังไดหลอกลวงโลกเข้าไปแต่เราเป็นนักบวชเป็นนักเพืปฏิบัติแต่จิตใจโลกโกรธหลงยังเต็มอยู่ในตัวไม่มีอะไรที่จะละไปได้สอนเขาเอาไาแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไรไม่เคยมองดูแบบนี้ ทางศาสนาถือว่าอลรถชีคือมีอย่างอายท่างท่านตัวชั่วกว่ายังไปเนี่ยไปสอนคนอื่นเขาตัวมีว ท, ที่เลสกว่าทําำทาผาชีกว่าตัวมันมีกิเลสแต่ ท, ทําจริงมันเห็นใน่มีอะไรจิต บ, บ้างในจิตในใจของตัวถากดูเขามาภายใ น, นมันจะซ่าเ น, นี่ยเปรได้เครื่องแบบหลอกคารวะอย่ายอมเข้าจิตแต่จิตใจ ไม่มีอะไรคื่เป็นคุณค่าสาระให้จงระวังทีนี้พิจารณาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้ามอบให้ยศุสามาเนรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะไนใส่มอบให้หมูให้หมาให้วัวให้ควายที่ไหนเรากอบเป็นพระ วิสุสา ม, มาเนนอุบาสกอุบาสิกาเพราะที่จะรักษานำธรรมะมาปฏิบัติเพื่อกายใจของเราจะได้รับประโยชน์คือความสงบสุขดัะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะไปทนิธิเจนาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติเมือ่อปฏิบัติไปแล้วความเยือกเย็นสงบสีสมาธิปัญญาวิชาตมุดเป็นอย่างไรนั้นเราจะเห็น ไปจากชัดเจนในการปสาธุดปฏิบัติของตัวไม่ใช่ว่าการนี้สมัยนี้มรควนมันหมดไปทําอะไรไม่เกิดไม่เห็นไม่เจนไม่รู้ไม่เจนอย่างนั้นที่เหลือปัญหากว่าหน้าเก่าทำไมมันไม่หมดไปการสมัยผ่านมาตั้งยาวนานเหมือนกันมันไม่หมดมันยังคงเส้นคงวาอยู่ขอให้ตัง้งหน้าตั้งตาที่นี่ที่เจ้นาต่างหน้าตัาง้ตงตาสาธุด ป, ป, ปฏิบั ต, บติควรนั้นแหละจะมีสิท รู้อาจเห็นทำอย่างเด่นชัดในใจิตในใจของตัวจากนั้นขอทุกท่านจงพยายามหมั่นเพียรในกานปรปฏิบัติปฏิบัติและเชื่อวั่นเพนดีมีสติมีปัญญารักษาตายวาจาจิตของตัวเมื่อทุกคนตังหาต่าัณ迦ศึกษาปฏิบัติปฏิบัติอย่างนั้น คามสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังก็จะเป็นของของเราการอธิบายธรรมะเขียนแบบพอสงควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้เท่านั้